อ <c oughs> ยากจะให้อธิบายขอ้อปฏิบัติลักษณะไหนาให้ฟังเนาะก็ะเริ่มต้องมีคาประมาณศึกษา<ม>อย่างเรียนรู้ครับคราพ่อแม่ครูบาอาจารย์ปฏิบัติยังไงบ้างทำยังไงบ้างเนี่ย้<ม><ม>วปีนี้ปีสุดท้ายจะออกไปภาคปฏิบัติจากจังหวัดครับ <c oughs> ทาอย่างนั้นนะเลื่องจางคำสอนของพระพุทธเจ้าที่โลรดเมตตาสัรพสัตว์มีเหตุมีผลนะนา เนืถึงจุภาสิทท่านว่าไว้ว่าเยธรรมมาเหตุกับภาวะแต่สร้างเยตุมหาสมโนอันนี้ถ้าแปลเป็นภาษาเราหลวงพ่อเจ้าคนลองแปลให้ฟังเถอะเป๊ะๆออกภาษาเราว่าไเนี่ยเ อ, อาไม่ใหม่ เ อ, เองแปลหรอยังเยทำมาเหตุตุกภาวะเองแปลเอาแป ล, แปลว่าอะไรจะให้ตัวแปลพอแปลนคะครับทาเราทำเราได้เกิดใจเหตเพราะพุทธเจ้าแสดงตามเหตุของกลางให้พอนะันเกิดอุบัิเกิดที่นี่ในทางแรกปรมาณตอนนี้สมโองสมโองที่จะอธิบายอะไรที่เนี่ย จะอธิบายเลยทีนี้นว่าทมเราใดเกิดแต่เหตุพระพุทธเจ้าแสดงเหตุแทนธรรมนั้นบรรดาพวกเราทุกท่นานพระดุนน้องดุนนมเป็นพระนาบกาที่บวชบวชใหม่เพิ่งบวชต่อมา ถึงจะบวชใหม่ตรงนี้แหละการได้ยินได้ฟังตามคำสอนของพระพุทธเจ้าจึงจะเป็นประโยชน์อย่างเยี่นอย่างมากกับพวกเราเพราะที่พวกเรากำลังบรรพระาอุปสมบทเพราะบรรพระาอุปสมบทเสร็จอุปชาท่านสั่งยังไง ท่านสั่งว่าโน้นที่อยู่ของพวกเรอรุกมูลลมไม้ตามป่าตามเขาแล้วทานนั้นวัดมาบุตกิริวันเราสมบูรณ์ในลักษณะเดียพระพุทธเจ้าสอนหรืออุปชาอาจารย์บอก ว่าเมื่อวันพระจาเสร็จแล้วเข้าป่าอยู่ลุกกมลลมไม้มาตามป่าตามเขาทำไมพระพุทธเจ้าจึงสอนตรงนี้ฟังเหตุเนี่ยเยธรมาเหตุปะราวาทำทั้งหลายเกิดจากเหตุ ทาในทีนี้ <c oughs> ให้เึกถึงสองส่วนสองลักษณะเสียก่อนเดิมโกศลธรรมสองอกุศลธรรมทั้งสองอย่างเนี่ยมันเกิดจากเหตถ้าดับ กระดาษเพาะเหตุพวกเราทุกท่านพระดุน่น้องดุ่นกดุนโลกดุลลานหรือแม่ขาวนางขีลองฟังคำสอนของพระพุทธเจ้าอัตมาจะได้อธิบายตรงนี้เหตุให้ เ, เกิดทุกเหตุให้ เ, เกิดสุข กุศลธรรมเหตุให้เกิดสุขอกุศลธรรมเหตุให้เกิดทุกข์จะเน้นหนะักคำสอนของพระพุทธเจ้าตรงเนี้ยคำว่าทุกข์เหลือสุขภาษาพวกเรา ความหมายที่พวกเราโดอยู่นานนะเรื่องความสุขเรียกว่าบุญเรื่องความทุกข์เรียกว่าบาปพวกเราทุกท่านทุกองทุกค น, กคนเชื่อหมว่าบุญมีจริงบาปมีจริง นรกมีจริงสวรรค์มีจริงมรรคผลนิพพานมีจริงพวกเราเชื่อไหมตรงนี้ถ้ายังสงสัยอยู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปให้เชื่อธอหายสงสัยเถอะทำไมจึงให้เชื่อจึงให้หายสงสัย เหตุผสมโบนน่ะนะเหตุที่ทำให้เกิดความเป็นบุญผู้สนทรมคำว่าโบนโบนอย่าไปดูที่อื่นถ้าดูที่เอื่นมันจะสงสัยโอปนายโกให้น้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจของพวกเรา ถ้าเราน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจคำว่าบุญและบาปมันจะหายสงสัยเลยเมื่อน้อมเข้ามาสู่กายสู่ใจรูปร่างกายของพวกเราทุกท่านทุกองทุกค น, น, น, นภาษาเราคือบุญพาพวกเรามาเกิด อ, อันนี้ตัวบุญ จะไม่ดูได้อื่นคำว่าบนญบนมีสาเมีหลายในยะที่จะให้พวกเราได้มีค้อหลายในยะยางไง้งแปลเป็นภาษาราวีศโบญคือความสมบูรณ์ความสมบูรณ์ในชีวิตชีวิตการเกิดขึ้นมาเป็นมนุษย์ พวกเราทุกท่านทุกองทุกค น, กคนลองเลือกดูเดี่ยวพวกเรามีศรัทธาความเชื่อบันพระเจ้าอปปโมบทมาใน ข, าข่าวครั้งนี้เป็นสองร้อยสาม้อยเกือบสี่้อยองค์หรืออุปกรณ์เดินดูฐานะชีวิตความเป็นอยู่ เสมอเหมือนกันใหม่บุญคือค ว, มวนะาม <c oughs> สมบูรณ์นะนะฐานะเกเตสมบัติโรคสมบัติขาสองแขนสองสีสะอวัยวะทุกสัดส่วนเป็นเพศหญิงเพศชาย เสอเหมือนกันไหมถ้าเพื่อพวกเรามีข้ออย่างนี้ไม่เหมือนกันไม่เท่ากันโรคสมบัติบางคนก็สวยงามทั้งหญิงทั้งชายความสวยหัวงามโรคสมบัติ เกิดขึ้นมาแล้วนอกจากโรคสมบัติสวยงามอายุยืนยาวนานโาครคภัยไข้เจ็บมีน้อยฉะนั้นในลักษณะอันนี้ดอะอานิสง์ที่พระพุทธเจ้าสอนเกิดจากบุญเว้นจากความชั่วคือนักษาสนา ฐานะชีวิตความเป็นโยนล่ำรวยเป็นเศรษฐีกาบดีมีพออยู่พอชินพอใจพอซอยกับฐานะทุกยากลำบากกากรรมหาเช้ากินเย็นก็แทบจะไม่ไว้มีมากต่อมา ย้ำตรงนี้อยากจะปลุกความสำเน็จให้พวกเราทุกท่านทุกองมีความเชื่อว่าคำว่าบุญบุญมีจริงลักษณะของบุญนอกจากฐานะจีวตความเป็นอยู่ลดรวยเศรษฐีอาบอดีนี่บุญถัดมาคนทุกยากรละบากาการรมบุญน้อยบากมากมีเศรษฐ มีปัญญามียศถาบรรดาศ์บนมากอานิสงเกิดจากอะไรบญส่วนเน่อานิสงก็คือเว้นจากความชั่วมีการรักษาศีลชาวบ้านก็คือศีลห้านาบบวช แม่ขาวนางเจคือสินแปดสามมเณรคือสินสิทธิเทสุสองค์เจ้าสิ น, อนสอง้อยยิบเจาอนิสงส์อันนี่แหละนำให้พวกเรามีอายุยืนยาวนานปราศจากโลกไปเจ็บไข้ได้ป่วยมีน้อย ความร่ำความรวยอานิสงส์การทำบุญทำทานเชื่อตรงนี้ผู้มีสติปัญญายอดถาปิญญาศาสตร์อานิสงส์การฝึกนั่งสมาธิการฝึกตั้งใจตั้งสติมันเป็นอดธรรมชาติถ้าฝึกตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดี มันรู้ตัวความรู้มันเด่นรู้ตัวความรู้เด่นตรงนี้อ่ะมันทำให้เกิดปัญญาสติปัญญาสติปัญญาต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนทีนียฝ่ายชั่วก็คือตรงกันข้ามนั่นแหละต้นเหตุมันอยู่ที่ไหนขอให้พวกเราทุกท่านทุกองค์พระพุทธเจ้าสอนว่า กิเลสมันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นอกจากกิเ ล, ลเสละธรรมะดาวสามูไทยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์จนันน้นคำสอนย่จอๆพระพุทธเจ้าสอนมนุษย์คนเราทุกคนนับพวกเรากระวยทุกองพระสงฆ์องค์เจ้า ถ้าทบปรากฏขึ้นแล้วให้กำหนดรโรคตาพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นนะทบปรากฏขึ้นในลักษณะไหนให้กำหนดรูคเกิดขึ้นกับตัวเองหรือเกิดขึ้นกับอุปกรณ์เดิมให้กำหนดโรคว่าทบมันเป็นจริงทบมันมีจริงไม่ได้อยู่ที่เดิม โคกเหล่านี่มันเกิดจากเหตุคือสมุทัยสมุทัยตามหลักธรรมะท่านว่าตัณหาทั้งสามตัณหาทั้งสามมียังไงตามหลักธรรมะท่านว่าไว้ว่ากาบมาตัณหาภวะตัณหาวิบวาตัณหา อันนี้มันเป็นเหตุที้เกิดทุกข์ถ้าว่าตามอธิบายด่งธรรมกา ม, มาตัญหาปวัตัญหาพิปวัตัญหาบางท่านบางองค์บา ง, ง, บางคนอาจาอจะย์สงสัยเอาภาษาเราดีกว่ามันจะชัดขึ้นกา ม, มาตัญหา ภ, าภาษาเราคืออารมณ์เพศทั้งหญิงทั้งชายใครปฏิเสธได้อะ กามาตัญหาคืออารมณ์เพมันมีอยู่ที่ใจพราะว่ตัญหาความอยากได้ใครดีชื่อเสียงเกียรติยศสักศีมั่งเีศีสุขความสำเน็จความรู้สึกนะ้น่ะมันมีอยู่ที่ใจวิปว่ตันหา ในสิ่งที่พวกเรามนย์คนเราไม่ต้องการแต่มันดีกไม่ได้เรียงไม่ได้อ น, นั้นคือความเท่าความแจกความเจ็บใครได้ป่วยความรดพัดภาพจากร่วมหายตายไปพัดภาพจากในสิ่งที่พวกเราได้กมหมายไว้ในสิ่งเหล่านี้มันมีในเราแต่พวกเราไม่ต้องการไม่อยากจะให้มันเกิดไม่อยากแห้มันมี มันก็เลยเป็นทุกข์ทางใจพวกเราทุกขนันนอกจากตัณหาทั้งสามแล้วก็กิเลสสามอย่างโลภโกรธหลงนี่มันมีอยู่ที่ใจจริงมันไม่ได้อยู่ที่อื่นนะทั้นไงเมื่อเรานี้มันมีอยู่ที่ใจตรงนี้ มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เยต่อมาเหตุถกระกูลคือเหตุให้เกิดทุกข์ถ้าจะว่าชาวบ้านที่เนี่ยแบบชาวบ้านถ้าเชื่อตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเป็นชาวพุทธหรือชาวโลกใครก็ตามแต่เถอะ เมื่อมาได้ยินได้ฟังว่าสิ่งเหล่านี้เหตุให้เกิดทุกมันมีอยู่ที่ใจถ้าว่าตามแบบชาวบ้านก็คือให้พากันมีหลักงดเวนคือสิค้าแบบชาวบ้านการมาตัญหาปวาติหาถ้าพุทธเจ้าห้ามในสิ่งที่ มันผิดศีลผิดธรรมถ้าไม่ผิดศีลไม่ผิดธรรมพระพุทธเจ้ามาห้ามนี่ทั้งแบชาวโลกชาวบ้านกามะตั์นหาอารมณ์เพเพราะว่าตัณหาความอยากได้ไขรดีชื่อเสียงเกียรติยศแต่สีมั่งมีสีสุก ถ้าได้มามีมาในทางที่ดีทางที่ถูกพระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามนอกจากไม่ได้ห้ามแล้วก็ส่งเสริมด้วยสนับสนุนด้วยส่งเสริมสนับสนุนในลักษณะไหนพอเย็นดีในรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสอารมณ์ท่านเรียกว่ากลามมุค กามาคุณห้าที่พวกเราศึกสามานนะกามคุณห้าความยินดีในรูปในเสียงในกลิ่นในรสมันยังพอมีบุญมีคุณอยู่ถ้าเผื่อไม่ได้เึิกถึงสิ่งเหล่านี้พอมีบุญมีคุณมันจะตรงกันข้าม มันจะตกนรกทั้งเป็นเลยมันจะเป็นเปรตเป็นผีทั้งเป็นเลยในลักษณะนี้พวกเราวัดความรู้สึกเอาบางท่านบางองค์บางคนก็จะประสบในเหตุการณ์เรื่องเหล่านี้กับตัวเองกามาคนความยินดีในรูปในเสียงในขินในรถ ความจากได้ใคดีชื่อเสียงเกียรติยศถ้ามีความยินดีได้มามีมาในทางที่ดีทางที่ถูกพระพุทธเจ้าเห็นว่าพอมีบุญมีคนเรียกว่าการมากุมยังพอมีบุญมีคนอยู่เห็นความดีของความเป็นมนุษย์ เห็นความเป็นบุญของความเป็นมนุษย์ในลักษณะความยินดีในลูกเสียงลดลิสัมผัสอารมณ์ได้มาชื่อเสียงเกียรติยศรรศัก ด, ดีควาดีอันนี้คือความถูกต้องที่พระพุทธเจ้าไม่ได้ห้ามในสิ่งที่พระองค์ห้ามที่เนี่ย ความเย็นดีในรูปในเสียงในกิน่นในรสสัมผัสอารมณ์ได้มามีมาในทางทีไม่ถูกมีมาในทางที่ไม่ดีเห็นได้ชัดเลยมันจะมีปัญหาทางใจมีปัญหาทางร่างกายทุกกายทุกใจพวกเราทุกท่าน พระสงฆ์องค์เจ้าที่น้องญาติโยมแม่สาวนางชีเชื่อเถอะเชื่อคำสอนของพระพุทธเจ้าความผิดที่จะเป็นบาปเป็นกรรมตกตะลอบบอกไม่เป็นเปรตเป็นผีมีอะไรเป็นเครื่องวัดความผิด ค, ความถูกชาวบ้านก็คือศิลปห้านั่นเอง แม้ดักบวดก็เครือสินของตัวเองนั่นเองแม่ขาวนางชจีกยกสินแปดสามมาเนนเครือสินสินพระสองฆ์อง์จาโคสินสองนอยเจ็๊กอันนี้เป็นเครื่องวัดความเด็ดความถูกอย่างสินห้านี่อ้าว ที่พระพุทธเจ้าห้ามข้อหนึ่งห้ามอะไรข้อสองห้ามอะไรข้อสามห้ามอะไรข้อสี่ห้ามอะไรข้อห้าห้ามอะไรพวกเราองชาวพดลองนึกดูเดียหรือจะฟังอธิบายเป็นการเสริมบางท่านบางองค์บางคนอาจจะนึกเดิม ข้อหนึ่งที่พระพุทธเจ้าห้ามการฆ่าตั้งแต่มนุษย์ลงมาถ้าเบื่อเป็นไปได้สัตว์เดรัาฉานกประเภทอย่าไปฆ่าอยาไปทำลายนั้นจะดีที่สุดนี่วาลากิตที่อยู่ในฐานะความเมตตาธรรม ไม่มีการอาฆาตพยาบาทจอมเมนฆ่าตีทำลายชีวิตเมตตาธรรมะเน่เป็นคุณลักษณะคนนุณธรรมของความเป็นมนุษย์เป็นลักษณะคนนุณธรรมของความเป็นมนุษย์มีในใจของมนุษย์พวกเรามากน้อยขนาดใดข้อที่สองรักจริงวิ่งราวปนตรดมโจมตี พระพุทธเจ้าหรัให้มีศักดิ์ศรีความดีขนานเกิดจากการกระทาสัมมาอาจิวะมีความเสื่อสัตย์สุจริตออกเขาออกเหล่าไม่กล้าไปรักไม่กล้าไปขโมยพ้นตรงโจมตี ความสังเนบรูวตัวลักษณะนี่ท่นนั้นนักาพุทธเจ้าจึงสอนว่าเป็นไปเพื่อความดีเป็นไปเพื่อความสุขข้อที่สามผจจานีสปเพณีสามีภรรยาบุตรธิดาปราดรอบพวกเราทุกท่านยนเนธจะไหเนธ ซื่อตางตาค่านิยมตามยุคตามสมัยอัตมามีความสรุดสังเวชจริงๆสแสดงว่าไม่สนใจไม่ได้ถึงสาเหตุให้เกิดทุกจากหลักจรินธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเพราะในดวงจิตดวงใจมนุษย์คนเรานัหนาเหตุให้เกิดทุกข์คือการมตนา การมตัิหาภาษาเราคืออารมณ์เพศแล้วไปแต่งตัวมาอยู่ในขอบเขตลักษณะของศีลธรรมมันเป็นการเสริมอะไรอ่ะมันเป็นการเสริมการมตัิหาอารมณ์เพศมเป็นการแต่งตัวยุคนี้สมัยนี้หรือยุคใดสมัยใ ด, ใดก็เถอะใครก็เถอะอันนี้เป็เหตุให้เกิดทุก ดัง น, นความหมายเขาพูดสินสินสินคือความเรียบร้อยหมายก็ว่าอย่งไรสินคือความเรียบร้อยตายเรียบร้อยวายจะเรียบร้อยความรู้สึกเลือกคิดด้านจิตใจให้เห็นอกเขาอกเรา กายเรียบร้อยควรจะนุ่มอย่างไรถึงจะเป็นลักษณะความเรียบร้อยความเรียบร้อยลักษณะของศีลมีที่ใดมันจะเกิดลักษณะความเป็นธรรมขึ้นที่นั้นศีนธรรมศีนธรรมนั่นนะที่พวกเราพูดอยู่นั่นนะศีนคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความเป็นธรรมธรรมคือความงามความงามเกิดจะขึ้นเกิดขึ้นจากความเรียบร้อย ฉะนั้นการนุ่งทุกวันนี่นะพระพุทธเจ้าสอนให้เอาตัวอย่างจากพระสงฆ์องค์เจ้าญาติโ ย, ายมพี่น้องญาติโยมพระสงค์องค์เจ้าท่านพนกยังไงปริมาณนาลังมีวาเสสาเมติสิฆะาาระนยาในเสยชีวันุนงมยังไง ข้างบนปิดแต่เดิมข้างล่างตรองครื่งแข่ใช้ผ้าพระสงฆ์องค์เจ้าจนใช้ผ้าเรียวผ้าสบบถ้าเป็นเ้าบ้านก็เรียกว่าผ้าถุงผ้าสิ้นผ้าถุงถึงจะนุ่งลักษณะนันดาถ้าเป็นผู้หญิง มีเสื้ออย่าให้มันรัดอย่าให้มันเปิดในสิ่งที่เป็นสมบัติที่หวงแหนในความเป็นมนวลสมบัติความเป็นมวลดูที่การโน่มทุกวันเนี่ยมันอยู่ในลักษณะของความเป็นสิ่งไหม อันนี้่นเหตุให้เกิดทุกเหตุให้เกิดปัญหาขนะนะ่นเหตุดมาเหตุปุปภะวานนะแล้วทําไมพวกเราชาวพุตลูกหลานชาวพุตทั่วประเทศทําไมไม่ได้ถึงตรงนี้หน้าสลบสังเวชขนาดไหนสื่อบางสื่อ ไปพูดส่งเสริมค่านิยมในสิ่งเหล่านี้ว่าเด็กวกัยรุวัยานวัยน้องวัยน้อยวัยหนุ่มนิยมการเซ็ตไม่ผิดป๊าดุไปส่งเสริมใใรอย่างไรกันเรื่องการเซ็ตกนรดมเพศกาไม่ผิดมันเป็นของธรรมดา นี่พวกเราทุกันฟังเถอะคือความเข้าใจผิดเทตที่ทาให้เกิดทุกข์นี่ยนะพวกเราเป็นชาวบุตรข้าอยู่ได้ฝึกปฏิบัติะระงับอารมณ์ประเทณี้ให้เจิตเป็นสมาธิเจวิตความเป็นอยู่ไม่มีคุณค่า เข้าดักบวชประชาชนญาติโยมจะยุติฐาหน้าขนาดไหนยังไงก็เถิดถ้าพวกเรายุติฐารนะเป็นนักบวชฝึกดูอารมณ์ความนึ้ความคิดที่เกิดจากกิเลสตหาเราไม่ส่งเสริมให้มันอารมณ์ประเภท การ ม, มาัตหานโนบ ก, กวดหลงเนี่ยไปส่งเสริม อ, อารมณ์ทางจิตใจให้เกิดเป็นเรื่องอารมณ์ของกิเลสเรื่องลมของตนาและงาบดับตรงนี้และงาบดับยังไงสำหรับสินของนักบวชเนี่ยตั้งแต่แม่ขาวนามทีไปสิน้อเนี่ยถ้าว่านอกจากซืขาบดแล้วก็จานะสังวร สังวรระหวังอารมณ์อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตในขณะทุกขณะนั่นแ่ะสติความตั้งนลิกระลึกโลกสมาธิพยายามตัดกระแสให้มีความเชื่อมัน่นตั้งมั่นหนักแน่นอย่าให้ความลึกความคิด ความเน้อความเย็อันนั้นอันยาให้อารมณ์ของกิเลสจะให้อารมณ์ของตัณหาพาให้คิดใจเนึกคิดความเน้อความคิดลักษณะนี้มันเร่ยนรู้ทีเนี่ยพระพุทธเจา้าทรงสอนว่าอันนี้มันเป็นเหตุที่เกิดทุกข์ยาณาสังวรระวังระวังอารมณ์แม่ขาวนางจี พระสมองค์เนนตัดกระแสของการมัิเบะการมัทหานเกิดขึ้นจากอารมณ์ความคิดสินญาณสังวรระวังนอกจากญาณสังวรระวังแล้วว่อาอริยบททั้งสี่ที่เนี่ยเยืนเดินนั่งนอนสังวรระวัง สงวรในตามันอยากแกดูมันอยากแกดูนั่นแหะเป็นอารมณ์ของกิเลสตัญหามันอยากจะให้ตางเราดูเพื่อเอาอารมณ์ของอาหารของกิเลสตัญหาเข้าบำรุงกิเลสตัญหาเนื้อแล้วดูเพื่อประโยนอะไรฟังเพื่อประโยน์อะไร แต่นั้นเมื่อรู้จักที่ไปที่มาต้นเหตุแห่งความเป็นทุกข์ลักษณะเนี่ ย, ยานะสังวรสังรวมระวังตาไม่จำเป็นจะไปโหมันสังรวมระวังทางหูไม่จำเป็นจะไปฟังทั้งกิน่นทั้งเล่นทั้งรถถ้าสิ่งเหล่านั้นอนาไม่จะมาเป็นตัวเสริม บังลงกิเลสตถาและร่างดับทันทีเลยอันนี้คือข้อปฏิบัติทั้งดับนาบุตรเมื่อทั้งวมระวังแล้วจะให้อยู่ในลักษณะไหนในใจอารมณ์ของใจเนี่ยมันอยู่ลักษณะไหนศรษนอกจากยานะสังบรเศนคือความปกติกายปกติใจ ศีนคือความปกติใจสีลังสีลา น, นางท่านเปียเหมือนก้อนหินทำใจเหมือนก้อนหินสีลังสีลาฝนมาแดดมาลมมาทุกทิศทุกทางก้อนหินแผ่นหินหวั่นไหวไหมนิ่งเฉยนั้นลักษณะของความเป็นปกติ ศีลคือความปกติใจตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีเออคำว่าศีลคือความปกติใจไม่ส่งกระแส จ, จ, จิตใจวิ่งตามกระแสอารมณ์ของกิเลสไม่วิ่งไปตามกระแสอารมณ์ของตัณหาอันนี้คือการปฏิบัติอันนี้คือการระวังเช่นนั้น พระบวดใหม่อุปชาอาจารย์่านท์สังลุกกมลเซนาตะนางนินส่ายาปปชาตตะเตยาวิจีวังส่าห้อพระนโยพวกเธอวันประชาะบทบุดแล้วนู่นที่อยู่พวกเธอลุกกมลลมไม้ตามน้ำเงื่อผาปากเขาวัดมะขุกกิริวันเหล่า เป็นสถานที่เหมาะสมแจาการมาสึกท่านให้มาอยู่ตามป่าตามเขาลุกมลลมมากกเฉพาะตัดกระแส อ, อารมณ์ของกิเลสตัดกระแส อ, อารมณ์ของตัณหาสังวรระวังสังวรระวังเมื่อสังวรระวังแล้วก็ให้ใจของเราอยู่ควมเป็นปกติเออบวมปกติของใจ สิ่คือความปกติความปกติของใจเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้เอาลักษณะนี้เป็นอารมณ์เครื่อนอยู่อยู่อารมณ์ของสิลอารมณ์ของศิ่งอยู่ที่ใดมันจะเกิดอารมณ์ของธรรมอยู่ขึ้นอยู่ที่นั่น ท่านั้นอารมณ์ของศีลอยู่ที่ใดก็คืออารมณ์ของศีลคือความปกติใจนี่อารมณ์ของศีลนอกจากความปกติจใจศีลคือความเรียบร้อยความเรียบร้อยมีที่ใดมันจะเกิดความดีคืออารมณ์ดีอารมณ์ดีมันจะเกิดความสดชึ้นเลื่นเืนงยินแยงแจ่มใสเย็นอกเย็นใจ เอาอ น, นี้เป็นที่อยู่เครื่องอยู่ตังหานะความหมายนั่นนะฉะนั้นอารมณ์ของศินลักษณะของความเรียบร้อยอารมณ์ของศินคือความปกติใจมันเกิดอารมณ์ของความเป็นธรรมถ้าใจเป็นปกติดีอารมณ์ดี อารมณ์ความสุขอารมณ์ความสบายปรากฏขึ้นอารมณ์ดังตานี้เป็นอารมณ์ของธรรมสินธรรมสินธรรมนะฉะนั้นการมาฟังมาฝึกสังวรระวังถ้าเผื่อเป็นไปได้ลองฝึกไม่จำเป็นจะพูดกันไม่จำเป็นจะคุยกันเพราะการพูการคุยนี่นะ มันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหาเราไม่ได้ระวังเหตุให้เหกิดภกที่มันเป็นอารมณ์ของกิเลสเป็นอารมณ์ของตัณหาที่พาให้กิดมันเกิศหรือใจมันเกิศย้ำตรงนี้เมื่อเข้าสู่ทาง จ, จิตใจ อยากจะทำความเข้าใจกับพวกเราในภาคปฏิบัติให้เรียนรู้ลักษณะของใจของจิตสหน่อยเพื่อจะได้ระวังเพราะใจเกศเนี่ยมันเป็นที่อยู่ของกิเลสเป็นที่อยู่ของฐาน า, า, าคำว่าใจภาษาเราก็คือความรู้คำว่าเกศภาษาเราก็คือความนื้ความเยน็น เรานั่งอยู่นี่หลับตาอ้าวเรียนรู้ในขณะนี้เลยเรานั่งหลับตาฟังธรรมฟังข้อปฏิบัติว่าวใจมันรูอยู่ความรูอยู่เนี่ยพร้อมด้วยคุณธรรมของใจคือนติอันนี้เรียกว่าใจถ้าความเนื้อความเคิที่เนี่ย เรียกว่าจิตจิตคือความนึกความคิดแต่ก็ทราบด้วยนะว่ามันเป็นไฟพอดพูดแทนกัได้พูดแทนก็ได้เป็นเป็นไฟพอดพูดแทนก็ได้หมายว่าใจกับหมายถึงจิตนั่นแะจิตกับหมายถึงใจนั่นะมันพูดแทนก็ได้แต่แยกในจีรยาจจฉย แต่ในริยาที่ควรแยกที่ควรเรียนรู้ควรเข้าใจตังเนี่ยเพราะเหตุได้เกิดทุกมันมีโลคมีโกรธมีหลง ม, มีตัณหามันอยู่ที่ใจหรืออยู่ที่จิตนะนะย้ำตรงนี้จะจะให้พวกเราทุกท่านนาไปปฏิบัติที่เถิดทางความรู้ความคิดเนี่ยถ้าเบื่อเราไม่มีแต่ติ เราม่ได้ระมัดระวังร้อยนับหน่อยอารมณ์ของกิเลสอารมณ์ของตัณหาเนี่ยพายใจจิตพายใจนึกหรือพายจิตคิดพายจิตนึกตรงนี้ท่านหักนาะฉะนั้นนะเมื่อมาฟังมาฝึกมาฟังมาฝึกให้รู้จักใช้ปวงฉลาดทีนี้ เราใช้ความเจหลาเลือกตรงนี้ได้อย่างไงใจของพวกเราคือความรูก้กับจิตของเราคือความเนื้อความคิดเนี่ยให้ใจของพวกเราพาจิตของเราคิดเองอย่าปล่อยให้จิตเหตุหาพาจิตของเราคิดความหมายนะ น, นะตัวอย่างเราทำดีเรามาบันพระเจ้สมบท อันนี้ใจของเราพาจิตของเราคิดเนี่ยไม่ใช่กิเลสที่หาพาจิตคิดนะหรือความดีอันอื่นก็เหมือนกันถ้าอันไหนมันอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมใจพาจิตคิดไปเถอไม่เสียหายอะไรนอกจากมันอยู่ในขอบเขตของศีลธรรมกับอยู่ในขอบเขตของกฎหมาย พรบอประชาธิปไตยมีกฎหมายเป็นหลักถ้าอยู่ในขอบเขตของกฎหมายอยู่ในขอบเขตของจริยธรรมใจของพวกเราคิดเพื่อเป็นประโยชน์ประโยชน์ทางความรู้ความคิดตรงนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าสังขารจิตสังขารจิตจิตที่เป็นประโยชน์เชิดในทางที่ถูก จะปนยาที่สังขารเกิดคิดแล้วมันเป็นบนุญเหมือนพวกเราคิดอยากจะมาบันพระชาอุปจนบทปปมานั่งฝึกสมาธิเอาความดีเนี่ยให้จิตของเราคิดให้ใจของเราเลือกว่าความดีอยู่ในขอบเขตของอินทรยิ่งพวกเรา มาฝึกเพื่อให้ใจของเราเป็นสมาธิที่เนี่ยนั่งอยู่นิ่งๆ น, นั่งอยู่องค์เดียวนั่งอยู่คนเดียวที่พระพุทธเจ้าสอนสอนให้ฝึกใจเป็นสมาธิพระพุทธเจ้าจะได้ตรัสรู้เป็นตาัสดายเองสอนโลก พระ อ, องค์ท่านก็อยู่องค์เดียวพระ อ, องค์ท่านไม่ได้มีหมู่มีเพื่อนนะด้วยบุญแก่บารมีนันแะแทนที่พระ อ, องค์จะเด็หาเรื่องอื่นมาชิดเอาสิ่งที่เป็นความเป็นธรรมชาติมาชิดอันนั้นคือ ชีวิตความเป็นอยู่ของเราจะอยู่ได้อยู่ได้เพราะอะไรอยู่ได้เพราะลมถ้าลมหยุดไม่มีลมหายใจเข้าไม่มีลมหายใจออกชีวิตของมวลหมู่มนุษย์อยู่ไม่ได้ภาษาชาวบ้านภาษาไทยได้กว่าตายแต่ที น, นี่พระพุทธเจ้าเดียกถึงหัวปีติประจักอชีวิตของเรา นั่งอยู่ได้ในขณะ น, น, นี้เพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกหายใจออกได้หายใจเข้าได้หายใจออกได้ชีวิตจึงมีอยู่อำนาจของลมมันน่าจะดีเละประเสริฐกว่าชีวิตของความเป็นมนุษย์ทรงไว้ทีชีวิตความเป็นมนุษย์อำนาจของลมเนี่ย แต่นั้นพระพุทธเจ้าจึงตัดสินใจเอาถ้าเพื่อมีความดีกว่าความเป็นมนุษย์ที่มีจิตวิตกรลองดูทิ่ิเป็นจริงไหมพระพุทธเจ้าตัดสินใจตั้งสติลมเข้าก็รู้ลม อ, ออกก็รู้โดยมาคิดอันใน ตาดกระแสความเลือกความคิดไม่ไปคิดอังงื่นลมออกก็โล่ลมเข้าก็โล่ลมเข้ารู่ลมออกก็โล่ป้าพวกเรารู้ทั้งความเป็นธรรมาชาติฟังด้วยความเป็นธรรมาชาติเคยเจ็บไม่ได้เจ็บไปตามกระแสของกิเลสสัรหาพาเจ็บชิด ให้มายอยนคิดลมเขา้าก็ ร, รู้ลมออกก็ ร, รู้ภาษาลาวุบาใจอยู่กับใจเมื่อใจอยู่กับใจอำนาจที่ใจอยู่กับใจไม่ได้คิดไปที่อื่นใจไม่ได้ออกไปทา ง, งานคิดกังวลด้อื่นความสุขธรรมชาติเกิดขึ้น ความสุขธรรมชาติเกิดขึ้นเพราะใจมีความสงบอยู่กับลมหายใจเ้าออกพระพุทธเจ้าจึงว่าเป็นภาษาความสำนึกของธรรมไวสอดโลกว่านาทีสันติพลังสุขขงังสุขเอื้ยิ่งกวาวความสะบนี้ไม่มีแล้วในโลกพวกเราทุกัน เชื่อเถิตรงนี้เหตุให้เกิดสุขเที่ยวเย็ดมาเหตุถูกปภวานนะเหตุให้เกิดสุขสุขจะเป็นสุขระดับไหนถ้าเป็นสุขระดับที่ใจเป็นสมาธิเทวนาถาสันติปรัญทุคา พวกเรามีลมหายใจเข้ามีลมหายใจออกเหมือนอย่างพระพุทธเจ้าตั้งพระทยดูลมหายใจของลวมเข้าออกพวกเราก็มีแบบเดียวระบบดันเชื่อเถตรงนีข้ามกลางของสถานที่เหมาะแก่การเสกเหมาะแก่การปฏิบัติที่วันมังกรของพวกเรา ตั้งใจตั้งสตินั่งดูตัวอย่างที่ปรากฏจักรปรากฏดุกขาขวารับขาซ้ายตั้งกายให้ตรดงดำรมสติเฉพาะหน้าวางมือลงบนตักมือขวาทับมือซ้ายตั้งใจตั้งสติกำหนดดูลมหายใจเข้าออกอู้ดูลมหายใจออกรู้อันนี้คือ งานของพวกเราเข้าสู่สถานที่การฝึกฝึกเธอเท่านี้ทําเธอะตรงนี้เชื่อเธอถ้าเผื่อพวกเราตั้งใจได้ดีตั้งสติได้ดีกําหนดลกูกหายใจเข้ากุโรหายใจออกกุโรถ้าวาสนาบารมีความดีของพวกเราในตั้งสมุปรมานั่นแหะมันจะเกิดความเป็นอัตจักร เห็นคุณค่าของชีวิตว่าความสุขแบบธรรมชาติความสุขที่ติดใจจะแฝงหานี่ไม่ใช่อยู่ที่อื่นมันไม่ใช่มาจากที่อื่นมันเกิดขึ้นพอใจเป็นสมาธิใจอยู่กับดมใจเป็นสมาธินี้แต่ถ้าพวกเราดูกนันเฟืองตรงนี้ มันต้องอาศัยความเป็นธรรมมาเป็นเครื่องสนับสนุนความเป็นธรรมอะไรอ่ะศรัทธาธรรมให้เชื่อวิริยะธรรมพยายามภาาเปลี่ยนขันติธรรมใช้ความดควมดลถ้าไม่ใช้ความเป็นธรรมเหล่านี้แรงเม็ดของกิเลสแรงเม็ดของตัณหาหะนาะ มันแล้วลายมันรุนแรงได้เกิดมันจะไม่ปล่อยให้ใจของเรากาหนดดูลมหายใจเข้าเพื่อเป็นสมาธิหายใจออกเพื่อเป็นสมาธินี่แรงนิสของกิเลสแดงนิดของตัณหานั่นนะฉะนั้นที่าายใช้ไว้ความเป็นธรรมคือมีปริยัตความภาพความเพียรเอาจริงเอาจัง เราทํำความเพียรทําเรื่องอื่นแล้วก็ทมามากเราจะทําในขณะ น, น, นี้เพื่อฝึกใจให้ใจของเราเป็นสมาธิการฝึกในลักษณะนี้มันเป็นการตะลอมกระแสจิตใจของพวกเราเลื้อคิดลอยแปะปนเรื่องให้มาอยู่กับลมหายใจเข้าดูลมหายใจออกเป็นการตะลอมก็ามาตะลอมความนึ้ความคิดก็มา ถ้าความนึกความคิดนั้นยังกระจายอยู่ก็แสดงว่าความเป็นธรรมขันติธรรมนะ่ะวิริญนะธรรมน่ะยังก่อนก่อนการเวลาที่พวกเรามาฟังมาฝึกมันตั้งใจขึ้นได้มันนึกขึ้นมาได้วิริยะกลัวะคาเพีย่ยนเอาจริงเอาจังในการฝึกขันติธรรมกลัมปดควัวทนพวกเราดูครับ พี่น้องญาติโยมทุกคนความเป็นธรรมชาติเทพาพุทธเจ้าสอนว่าดโกให้กำหนดรู้เหมือนอย่างที่พวกเรานั่งอยู่เดียวเนี่ยขนาดที่นั่งของพวกเราเนี่ยมีที่นั่งสมบุนั่งปฏิบัติธรรมฟังธรรมเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนี่ย อะไรมันเกิดขึ้นกับร่างกายอเอาเอกขะเวทนาความเจ็บความปวดแล้วสิ่งเหล่านี้มันมีมาแต่พวกเราเกิดขึ้นมาพวกเราเปลี่ยนอริยบทได้มันก็พอเป็นเครื่องบรรเทา พวกระยะเปลี่ยนระยะบดไม่ได้ทีเนี่ยมันจะดุลแงรงในอะไรขนาดไหนเอาที่พวกเราเลี้ยงไม่ได้เดกไม่ได้นี่พรบว่าตัณหาะน ะ, ะนาตัณีิเพราะว่าตัณหาตัณหาที่สามนั่นนะความเท่าความแจ็พวกเราก็เลี้ยงไม่ได้ถ้าอายุยืนยาวนานไปเลี้ยงไม่ได้เลยความเจ็บใขรได้ป่วยแล้วก็เลี้ยงไม่ได้ ความร้องความตายความพัดพาจากสิ่งที่เราไปให้ความหมายจึงพัดพาจากด้วยกันไปด้วยกันแบบเดียวกันดังนั้นและแต่ในตอนที่จะถึงตรงนั้นนะถ้าเผื่อพวกเราไม่ได้ฝึกใจไว้ไม่ได้ฝึกใไข่ใจเป็นสมาธิมีคุณธรรมเกิดอเต็จมีบุญธรรมคือสมาธิมันจะรุนแรงเลวร้ายขนาดไหน ความแก่ความเจ็บควา ม, วามตายเนี่ยแล้วแต่นั้นนะพวกเราพอเปลี่ยนวิบ ود ได้เมื่อคอยอยู่ชั่วแต่ถึงยังไงยังไงพระพุทธเจ้าสอนจากพากันมัวมองประมาทในชีวิตรูปร่างกายของพวกเราถ้าเรียนศึกษาไปมากไปกว่านี้ คำว่าตัวตนคนเราเนี่ยเป็นเพียงแค่แต่หมดจริงๆแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าว่าธาตุทั้งสี่ขันธ์ทั้งห้าไม่ใช่ตัวตนนะไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายไม่ใช่ตัวตนคนเรานะส่วนประกอบธาตุสี่ขันธ์ห้าใจมาใส่อยู่นี่นะ ธาตุสี่คืออะไรสิ่งที่มองเห็นเป็นรูปหอมขนเดฟฟันเนื้อหนังเอ็นกระดูกตับไตไตน้อยไต ใ, ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าถ้าเรียกว่าธาตุดินจงรู้ดูธาตุดินหอมขนเด็ฟฟันเนื้อหนังเอ็นธาตุดินธาตุดินเนี่ยมันมาจากอะไรก็มาจากธาตุดินของผู้เป็นพ่อเป็นแม่ ธาตุดินนี้จะยังอยู่ได้ก็เพราะพวกเราเอาอาหารส่วนที่เป็นธาตุดินอาหารที่พวกเราฉันเข้าไปทานเข้าไปอาหารรกปประเภทนั่น้วลนวลแล้ที่เป็นธาตุดินเข้าไปบำเข้าไปบำรุงธาตุดินที่มันชดสทบงไปมันเป็นอย่างนั้นไม่ใช่หธาตุน้ำ น้ำเลือดน้ำเหลืองน้ำโมดน้ำโคดมันมีร่างกายของเรานี่นะแล้วพวกเราทานนา้งเข้าไปไปทดแทนไว้ธาตุไฟความร้อนความอุดในร่างกายธาตุน้อมลมหายใจเข้าลมหายใจออกพัดไปจะกเสพาังร่างกาย มันมีลักษณะสี่อย่างนี้มันไม่ใช่ ร, รูปร่างกายที่พวกเราไปให้ว่าเป็นตัวเป็นตเนตเป็นคนเราเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงแท้ที่จริงแล้วไม่ใช่ตัวมันใช่ตนไม่ใช่คนไม่ใช่ผู้หญิงไม่ใช่ผู้ชายเพียงแค่ธาตุทั้งสี่ปรากฏขึ้นมาปรากฏขึ้นมาลักษณะเนี่ยมันปรากฏขึ้นได้ยังไงปากฏพวกเราดูครัน ถ้าฟังทางภาพปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนว่าโทกใค้กาหนดโลกโทุกลักษณะชาติปีตุขาชาติความเกิดเป็นทุกชะลาที่ปีตกขา เ, าเท่าแก่ชะลาทํ า, า, ามขาดเป็นทุกพยาธี่ปีตุขางเจ็บไข้ได้ป่วยเป็นทุกมนต์นำปีตุขางความตายเป็นทุก ชาติพี่ทุกขายชาติความเกิดเป็นทุกข์ทางภาคปฏิบัติครูบาอาจารย์ภาคปฏิบัติตกนลกทั้งเป็นเลยตกตลกและพกนี่ชาตินี้ตกตลกทั้งเป็นเลยนั่นคืออะไรเอาพวกเราทุกด้านทุกอมทุกคนเวลาเกิดเกิดมาจากไหนเอาฮเกิดมาจากไหนออกจากกองไม้เลยเนี มาใช่เราออกมาจากท้องแม่หรืรลองตั้งใจเนื้อตัวที่างท้องของแม่ที่พวกเราไปทนทุกข์ก็รำคาญเหมือนตกบุญลงกุ้งเป็นอยู่นั่นกี่เดือนออกแปดเดือนเก้าเดือนมาเฉยดูที่ท้องของแม่ที่เรานั่งเรานอนอยู่นั้น่ะ สะอาดขนาดไหนว่วงขนาดไหนออกมีลมหายใจก็ออกมีพัดลมมีแอร์มีที่เครื่องอยู่นั่นเมื่อตั้งใจดีๆตั้งจิตดีๆเห็นทุกเห็นโทษของการมัรหาอารมณ์เพศปารจเราพ้นจากมันมาได้ เป็นเพราะบุญจริงๆแล้วพวกเราจะกลับเข้าไปทําไมอีกทีหนึพวกเราจะกลับขึ้นเข้าไปทําไมอีกทีกลับเข้าไปได้เพราะอะไรกลับเพราะเหตุได้เกิดทุกกามมติหาอารมณ์เพศพวกเราพิจารณาหรือเป่าตรงนี้การมติหาอารมเพศการมติหาอารมณเพศนเนี่ย คือมันนำดวงจิตดวงใจของพวกเราเข้าไปอยู่ในท้องของแม่เข้าอยู่ในท้องของผู้หญิงเขาไปอยู่ท้องของผู้หญิงถ้าเปลืองบุญพาไปบุญพาเกิดตรงนั้นก็ยังทั่วหน่อยผู้เป็นแม่ก็จะรักผู้เป็นพ่อก็จะรักมีพ่อมีแม่พร้อมสำหรับที่จะรักลรา ถ้าเขาก็อยู่ในท้องแบบผู้หญิงไม่พร้อมสเนียเขาทายังไงติถ้าผู้หญิงไม่พร้อมไม่มีการแต่งการแต่งงานร่วมเพศเจตการสนุกเฮงาเหมือนอย่างที่ว่านเปนวานในท้องเขาราวรู้ตัวเขาทำยางไงตี๋ฆ่าทิ่อากพวกเราดูดันเอายังไงกัเนี่ย หรือว่าตรงนั้นมันจะอขาดตรงนั้นมันจะอา่าดแต่ถ้าเราเอาคนนั้นออกมาให้พวกเราเข้าไปอยู่แทนเอาจะเอาไหม้องใหญ่ๆของผู้หญิงน่นอะไรอยู่ในนั้นกับมนุษย์คนเราถ้าพวกเราอยากจะทดลองดูเอาคนนั้นออกมาให้พวกเราเข้าไปอยู่แทนนี้อย่าเตะปัญญาชอ ให้ใช้เต็จใหใชปัญญาพาิจารณในเหตุในผลนีเหตุที่เกิดทุกข์าพุทธเจ้าสอนในความเมตตาสอนความสงสารเอาอย่างไรพวกเราฉะนั้นการนึกภาวนาตัดกระแสความนึกความคิดไมใ่ให้กระแสจิตวิ่งตามกระแสของกิเลสวิ่งตามกระแ ส, ะแ ส, ะแสของตัญหานั่งสมาธินั่นแหะ จึงเป็นประโยชน์จึงหน้าที่ของพวกเราตั้งใจดีๆตัดกระแสเจตใจจะเข้าไปเกิดในท้องของผู้หญิงให้อยู่ในกับลมหายใจเข้าลมหายใจออกภาวนานหรือจะเนึกพุโทโธธรรมโศสังโฆถ้าเผื่อพวกเราเคยได้ฝึกจะเด็ดเนื้อ ใ, ใจเนึกพุโทโธธรมโศสังโฆเอาพุโทโธมาเป็น คำบริกรรมแทนลมหายใจก็เข้าขออกก็ได้หรือจะพุทธลมเข้าโทลมออกหรือจะเนืกอพุทธโถพุทธโถให้กระแสเจิดของเราเนี่ยชิดอยู่กับพุทธโทอย่างเดียวมีจติถ้าชิดแบบไม่มีจติเชิดแล้ว กระแสความนึกความคิดมันฟุ้งซ่านแล้วตรงนี้ตังหาหน้าที่ของพวกเราที่กับพุทธเจ้าตรงนี้ผมก็เคยเป็นพาน้อยพานหนุ่มเหมือนพวกเราทุกท่านส่วนมากมาฝึกกับครูบาอาจารย์ตัดกระแสของกิเลสตัดกระแสของตัณหา ทางร่างกายของตัวเองเนี่ยขนาดทานอาหารจันอาหารมือเดียวนะบางช่วงบางครั้งยังสู้มันไม่ไหวยังอดอาหารยังผ่อนอาหารอดอาหารสองวัน3วันสี่วันหน้าวันเพื่อตัด ก, กระแสของอารมณ์ของกาบมวาตน า, นาของเด็กนำสมาธิธรรมโลก ถ้าตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติลดอาหารรัศนนานั้นเดียวตั้งใจนึกพุโทโธเป็นอยู่กับความรู้นึกพุโทโธขณะที่เราฝึกสมาธิดับที่เราฝึกนั่นก็เห็นความเป็นอัจฉ ร, ริย์เห็นความเป็นอัจฉริย์ยังไง ในขณะที่เราอดอาหารนะตามปกติธรรมดาถ้าอดอาหารมันต้องมีความหิวความอากความหิวความเหนื่อยความเมื่อยความหิ Molt, วจะม ồi, าม ok, มอันนี้ในขณะที่อดอาหารใจเป็นสมาธิโอ้ถ้าเกิดร่างกายอยู่ได้ที่ไม่ฉั น, นบิณนบาตรไม่ฉันอาหารเนี่ยถ้าร่างกายอยู่ได้นะจะไม่กลับไปบิณฑบาตรมาฉันเชี่ยวฮันเหนื่อยปากเลยจะอยู่แบบเนี้ สุขที่สุดสบายที่สุดในชีวิตความเป็นอยู่ความจักนึกนะนะขนาดที่จิตเป็นสมาธิอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนจะขนาดไหนเอาขนาดฝึกสมาธิแบบเป็นพื้นฐานธรรมดาธรรมดาเนี่ยเห็นคุณค่าขนาดนั้นเดวเวฝึกเถอะพวกเราทุกท่านตั้งใจถึงเชื่อเถอะนี่ที่พระพุทธเจ้าสอนว่า เหตุให้เกิดทุกข์มันยังมีส่วนบณ์เหตุให้เกิดทุกข์สนควมปรารถนาสมบูรณ์บริบูรณ์เลยฉะนั้นการธรรมภาคปฏิบัตินำเรื่องสิลเรื่องธรรมที่เป็นเหตุให้เกิดทุกข์มาถึงเวลาในขณะนี้ คิดว่าพอทั้งวนเจดเวลาสรุปหัวข้อใจวรมก็คือใจของพวกเราคือปูเจดของพวกเราคือหวมหนึ่งความเจ็ดเจดใจจิตใจเนี่ยเป็นที่อยู่ของกิเลสเป็นที่อยู่ของตัณหากิเลสโลกโกรธมันก็อยู่ในใจในใจิตตัณหาทั้งสาม มันก็อยู่ในใจในจิตจังนั้นให้ใช้ความฉลาดให้ใจของพวกเราพาจิตของเราเนืกอคิดเองทีนี้เนื้อคิดในสิ่งที่เป็นประโยชน์ทั้งปัจจุบันในเบื้องหน้าคิดไปเถอะทำไปเถอะความสุขที่พระพุทธเจ้าสอนที่เป็นสุขสมบัติที่เป็นกุศลธรรม เดียวเยทำไมแหตุปะวันโอสนทมตรงนี้เกิดขึ้นมีขึ้นเห็นแล้วในพบนี่ชาตินี้ปัจจุบันคือพวกเราเป็นมนุษย์บุญพามาเกิดพบหน้าชาติหน้าต้องมีอีเจริงเพราะใจดวงนี้มันแก่ไม่เป็นมันตายไม่เป็นเมื่อออกจากร่างี่เนี่ยจิตการเกิดต้องเกิดออกแน่นอนให้นื้อตรงนี้ฉะนั้นโอกาสการเวลา พวกเราทุกท่านมาบันพระเจ้าบนสมบทมาฝึกมาปฏิบัติให้ตั้งใจฝึกตั้งใจปฏิบัติให้ตะลอมกระแสจิตใจเข้าสู่ความเป็นสมาธิเมื่อใจตะลอมกระแสจิตใจเข้าสู่ความเป็นสมาธินึกพุทโธพุทโธหรือดูลมหายใจก็รู้ด้วยสติรู้ด้วยการตั้งใจ เห็นคุณค่าการสึก่ยความเป็นอัตจรันรยร์มันจะเกิดขึ้นกับพวกเราทุกท่านท้ายที่สุดผมขอราตนาเอาคุณพสชรัตนาใยคือปุถารัตนาธรรมารัตนาสังฆารัตนาจงมาเป็นเครื่องคุ้มครองปกป้องพวกเราทุกท่านในพ้นจากภุมโสโรคปัยและราตนาสิ่งใด ดังนั้นไม่เผือส่ขอใหพวกเราทุกท่านทุกองทุกคนจงจุกป้มปรานาโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกองทุกคนเอ